หลวงพ่อครับรวมเพื่อนทุกคนนะครับผมมาครั้งแรกเดือนมีนาตอนนั้นบังเอิญที่นี่ได้ต้นโพมาจากอินเดียหลวงพ่อเห็นผมเป็นคนสวนก็เลยมอบหมายให้ปลูกต้นโพข้างล่างฮะริมน้ำข้อนี้ก็ตั้งใจมาดูต้นโพโดยเฉพาะเลยวะตายต่อไม่รู้ถ <c oughs> ้าต้นโพแห้งก็เสียชื่อเลยหลวงพ่ออุตสาหว้วใจพับต้นเล็กๆข้างล่างนะครับ เลื้อนเลนดยิ้หน้าครับหลวงพ่อเลยตั้งชื่อคอสนั้นว่าคอสโพธิปัญญาฮนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนหลวงพ่อได้ปลูกต้นโพในใจเราด้วยคราวนี้ก็เลยกลับมารับปุ๋ยรับน้ำรับแสงแดดจากหลวงพ่อต้นโพตัวเองก็ได้โตขึ้นหน่อยอมีนาครับต้นปีนี้เองครับต้นปีนี้เองครับชื่ออมพรค่ะ ก็ปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนมาประมาณสีปีกว่าค่ะก็คือไปที่หอจัดหมายเหตุแล้วก็เห็นรองเข้าไ ป, ไปปฏิบัติกับที่อาจารย์หมอคอนทิปจันนะคะก็หลังจากที่มาครั้งแรกก็มาตลอดทุกเดือนเลยค่ะที่นี่มามาครั้งแรกค่ะแต่ว่าอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติทุกวนะะัน กราบนวสคารพระอาจารย์มหาดิเลกแล้วก็พระคุณเจ้าทุกลูแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก็เป็นคนใหม่ที่นี้ไม่เคยปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อเทียนมาก่อนแต่ว่ามีพี่ๆกัลยาณมิตรเชวนมานะครับก็คิดว่าพอเริ่มปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกตัว มากกว่าแบบอื่นที่เคยมาเพราะว่าแบบอื่นที่เคยเคยบปปัตรเนี่ยพอทําทําไปมักจะง่วงนอนมากกว่าครับยังยังไม่เคยครับเพิ่งเคยไปที่หอจดหมายเหตุครั้งเดียวครับกราบนะวัสการหลวงพ่อแล้วก็พระคุณเจ้าทุกลุกทุกนามแล้วก็สวัสดีนัศธรรมท่านค่ะ ชื่อละน้องเขลนมทีมาจากหวัดปลาจินบุรีเคยมาคอร์สของหลวงพอ่อเมื่อเดือนมีนาะคอร์สพทธิปัญญาแล้วก็ครั้งที่สองก่อนหน้านั้นก็เคยไปขอ ง, งตาสุตยาที่วัดป่าโสพนธีสกลนครคะกลับนมัมส ก, การหลวงพ่อค่ะและพระสงทุกทุกค่และก็เพื่อนๆทุกท่านค่ะชื่อสมศริกะชื่อแดนพเจิยบค่ะ ปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนเริ่มครั้งแรกที่วัดแพร่แสงเทียนค่ะไปสิบวันค่ะหลังจากนั้นก็ปฏิบัติต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ทุกเรือนก็จะไปที่ส่วนโมกค่ะเคยเข้าคอสองพระอาจารย์เมื่อปีที่แล้วครั้งหนึ่งค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งที่แล้วนคะคะครั้งก่อนหน้านี้ของพระอาจารย์โนต ท, ที่นี่ค่ะแต่ของพระอาจารย์พระมหาดีเล็กเมื่อปีที่แล้วค่ะ ค่ะเจบันค่ะก็ครบทุกครั้งค่ะค่ะก็ก็มาทุกครั้งก็ได้ได้นำสิ่งที่ป้าอาจารย์สอนนะคะบางครั้งก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เราก็นำไปปฏิบัติต่ตอค่ะแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติให้สม่ำเสมอตอนเรื่องกัาบนมันสการ หลวงพ่อมหาธิเลขาคณะสงฆ์แล้วก็เพื่อนเพื่อนญาติธรรมุต ท, ท, ท่านดิฉันชื่อสองปองนะคะปฏิบัติเริ่มแรกของวัดเ อ, อ, องอาจารย์พ่อเทียนที่วัดแพร่แสงเทีย น, นะคะ่ะเริ่มต้นปฏิบัติมาทั้งหมดเกือบสี่ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ปฏิบัติเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติกับพระอาจารย์โนด้วยะ ค, ะค่ะก็ค่ะออสินคำไม่เคยไปะคะ่ะแต่ตอนตอนนี้มาปฏิบัติที่ปะช่องของพระอาจารย์โนนะคะ ก็พอมาปฏิบัติทางซ้ายหลวงพ่อเทียนก็ได้เริ่มรู้จักความรู้สึกตัวเพราะก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้จักความรู้สึกตัวมาก่อนเลยเคยปฏิบัติซ้ายอื่นมาคือริดหน่อยอะะ่ะค่ะไม่ไม่สม่าเสมอปีนึงก็จะไปสักครั้งของครั้งแต่พอมาปฏิบัติทางซ้ายขอวงพ่อเทียนก็ปฏิบัติติดต่อต่อเนื่องมาตลอดค่ะเกบสี่ปีแล้วคะ่ะตอบนักการหลวงพ่อนะคะแล้วก็กับ การเมตตาการพระผู้พทในที่นี้สวัสดีเพื่อนรทุกคนคะ่ะดิฉันชื่อสุาอ่าพรหรือที่เล่นชื่อเล็กสุดนะคะเลื่อนสนใจในการปฏิบัติแบบสติสติแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนโดยบังเ อ, อิญนะคะจากขอจดหมายเอกพุทธธาตแล้วก็สนใจแบบเคลื่อนไหวเป็นยังไงก็เลยเข้ามาที่หลวงโมกนะคะ แล้วก็เ อ, อจากนั้นก็ได้ไปปฏิบัติธรรมกับพระครูวาวิวิตนะคะที่สติสต่สวสติมานะคะแล้วจากนั้นก็ก็มาปฏิบัติธรรมทางด้านทางด้านนี้ตลอดเลยคะ่ะแล้วก็รัศมีมานะคะตอนนั้น เ, เขียวเทา่านั้นไปครั้งเดียวคะ่ะ อนะอาแล้วก็จากนั้นก็รับเอปฏิบัติธรรมกับเอาเอาจารย์โนธค่ะที่ที่อาสมหนึ่งครั้งไม่สองครั้งค่ะแล้วก็ครั้งแรกเจ็ดวันค่ะแล้วครั้งที่สองเพ่กลับมานี้ก็เก้าวันค่ะแล้วมาต่อที่ศูนย์โลก ค่ะสนุที่ผ่านมานะคะสวัสดีค่ะกาบบรรัศการหลวงพ่อแล้วก็คณะสองอคนแล้วก็ที่ที่สุดท่านนะคะหนูชื่อปีใหม่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มาปฏิบัติธรรมแบบนี้ มีเพื่อนแนะนำค่ะมีเพื่อนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมบูรณ์ค่ะแนะนำมาค่ะเพราว่าาสงทุกรูปไม่ทุกรูปกาได้เหนงมาม่ื่องนอันนี้นี้ แต่แม่น้อมพระธรรมตอนาดหลวงมัจาพระอาจารย์และคณะสงฆ์สบดีนปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะดิฉันชื่อบุญวดีชื่อเล่นชื่อแดงค่ะเคยปฏิบัติครั้งแรกที่วัดแพร่แสงเทียนทุกๆครั้งค่ะสองปีกว่าค่ะและเคย ไปเก็บอารมณ์ที่สวนสติมาที่วังน้ําเขียวเคยไปปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมใหม่แสงเทียนสิริบูรณ์และทุกครั้งที่อยู่กรุงเทพก็จะมาเจริญสติที่สวนโมกทุกๆครั้งค่ะพยายามมาให้ขาดอาทิตย์ที่สองของเดือนกับแพทย์หญิงทอนทิพย์ ที่ครูรู้สตินี่ปีที่แล้วเคยม า, าและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้ปฏิบัติกับพระอาจารย์มหาดิเลกสำหรับตัวดิฉันเองก็ได้ความรู้สึกตัวและจะไม่ท้อถอยในการปฏิบัติทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบได้ศึกษาทาง เมื่อได้รู้สึกตัวแล้วก็จะเห็นว่าตัวเองไม่รู้สึกตัวตลอดแล้วก็จะกําจัดความโลภโกรธหลงได้เร็วขึ้นจํากําจัดความโกรธโทสะซึ่งจะมีบ่อยเพราะว่าคงมีความทุกข์มากโทสะก็เลยมากแต่ก็จะ ขจัดได้เร็วขึ้นกว่าเกา่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะปรับอ า, อารมณ์เพื่อให้เข้ากับตัวเองเพื่อจะรักษาการปริรู้สึกตัวให้มให้ตลอดเวลาทั้งในชีวิตประจำวันเจ้าค่ะสอนคีรีบุตไปกี่ครั้งเปิดมาปีหนึ่งยงได้ไปครั้งเดียวค่ะ เชียงคำที่เชียงคำใกล้ยพะเยาค่ะแต่ทำไมเพ่งบอกว่าเชียงรายก็ไม่ทราบควจริงอยู่พะเย า, ากาดนมาสการ์พระจางและนะาสงค่ะชื่อพร้อมทิพย์นะคะก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ยามาตามน้องสาวค่ะแล้วก็ยังปฏิบัติต่อ เ, เรียกเลยนะมาเข้าคอสต่อเนื่องอะค่ะเพื่อว่าจะตามหาว่า วิธีการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านก็ยังอยากที่จะปฏิบัติทำในรูปแบบให้ได้เพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันหายไปเลยค่ะหายไปไหมายถึงไม่คอยากทําคือถ้ามาอยู่ในครอร์สเนี่ยเราก็ทําตามได้แต่พออยู่ที่บ้านก็อะไรนะไม่มีวินัยอะค่ ะ, ก, ะก็มาครอร์สของพาาระจันโนะนะคะที่นี่ค่ะ เพื่อที่แล้วเจ็ดวันเหมือนกันค่ะทั้งเดียวแล้วก็ไปสวนโมกแล้วก็ไปวัดสนามในกาดสวัสดีการมัดกการหลวงพ่อค่ะแล้วก็พระสงฆ์ูกๆนะคะแล้วก็พี่ๆญาติทามทุกท่านนะคะออหนูชื่อธีระดาพรค่ะชื่อยู้ยค่ะกออ็รู้จักแนวผลงพ่อเทียนวันปีนี้มีนาปีนี้ค่ะจาก u t ท b e หมูไม่เคยปฏิบัติที่ไหนมาก่อนแต่ว่าเคยปฏิบัติสมาธิมาบ้างแต่ก็ปฏิบัติแบบง่วงๆหลับๆไม่เข้าใจะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พอ <c oughs> หลังจากนั้นพ <c oughs> อเอริ่มรู้สักหลวงพ่อเทียนแล้วอยากจะรู้ว่าปฏิบัติที่ไหนที่ใกล้กับที่ทํางานได้บ้างเพราะว่าตัวเองก็ทํางานค่อนข้างเยอะไม่มีเวลาก็มาเรื่องที่หอจดหมายเหตุพุทธทธานค่ะตั้งแต่มีนาปฏิบัติมาเข้าไปร่วมด้วยประมาณสามครั้งค่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันมีอะไรเที่ยว เปลี่ยนไปรู้สึกรู้สึกว่าความโมโหที่เราเคยมีร้อยเปอเซ็นเต็มในการมีปัญหาทุกครั้งมันลดลงหรือสักเจ็ดสิบค่ะหลวงพอ่อแล้วหนูก็รู้สึกว่าอยากไปต่ออยากดีขึ้นเพราะว่าชีวิตที่มันมีความทุกข์มากเหลือเกินอยากมีความสุขอยากหาความสุขว่างนันเถอะความสุขทางโลกคิดว่าคิดว่าคิดว่าคือความสุขเนี่ยค่ะหลวงพอ่อก็เลยมังเอิญิปเตอรหลวงหลวงพ่อมหาดีเลย ในคอสอะค่ะว่ามีคอสโยโซมานติกาที่สวนพันดาวเดือนมิถุนานนั่นเป็นครั้งแรกที่หนูได้ลงคอสเจ็ดวันยาวๆแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกที่หนูได้เห็นตัวเองสามสิบสี่ปีที่ผ่านมาไม่เห็นตัวเองว่าที่ผ่านมาหนูสัญชาตญาณล้นล้วนเลยค่ะชีวิตมันเลยเป็นแบบนั้นมันเลยหาความสุขไม่เจอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เข้าใจว่า สติสัมปชัญญะคืออะไรคที่คิดว่าทุกวันในตัวเองมีสติแล้วแต่มันไม่ใช่หลวงพอมันเป็นแค่สัมชาติต่ยานที่มันมันไม่ได้อะไรเลยอะค่ะเพื่อมาเข้าใจคําว่าสติสัมปชัญญะมันแปลว่าอะไรแล้วก็เข้าใจหลักธรรมะมีกับตัวเองคือคือมาเรียนหลวงพ่อเทียนทางนี้มันเหมือนกับมาศึกษาตัวเองจริงๆอะค่ะมันเห็นทุกขังคืออะไรอันนี้ตังคืออะไรอานาตาคืออะไรมันเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วมันไปกับ มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเรามันเป็นไปได้ยังไงหนูก็ไม่รู้นะคะหลวงพ่อหลังจากนั้นน่ะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเหยาดตาตัวเองสูงมากทิฐิสูงมากโมโหร้ายใครผู้อะไรไม่เข้าหูห น, นูหนูจัดเต็มทุกครั้งนะหลวงพ่อลูกน้องหนูนี่แบบเกลียดหนูมากหนูคิดว่าเขาเกลียดหนูตอนนี้ที่หนูรู้สึก หลังจากที่หนูออกจากคอร์สแลังมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากับหนูก็คือหนูสามารถยกมือไหว้คนที่หนูเกลียดมากที่สุดหนูรู้สึกว่ามันคอร์สนี้ถึงคอร์สําหรับที่นี่ครั้งที่สองแลคะครั้งนี้ที่เปครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นครั้งที่สองกับสมพ่อค่ะนั่นนีครั้งแรกที่สวยส่วนพันดาค่ะมิถุนาที่ผ่านมาจำไม่ได้ครัะได้ค่ะ ส่ไปด้ห น, นานี่หายไปนานต้องารายงานดวงหม่น้รงนวัตกรมหลวงพ่อคะ่ะพรานาสง์แล้วก็กัลยาณธรรมทุกท่านคะ่ะปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่วัดสนามในแล้วก็ได้พบหลงพ่ออาจารย์มาาดิเลกครั้งแรกที่วัดสนามในด้วยน่าจะยี่สิบกว่าปีมาแล้วคะ่ะ อาศรมวันตานันสุดท้ายค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพระอาจารย์เหมือนเดิมเลยค่ะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าโยมเปลี่ยนไปมากพระอาจารย์จําไม่ได้เลยเคยนิมนต์พระอาจารย์ไปที่ที่โรงพยาบาลเด็กตอนนั้นค่ะ <c oughs> ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาลัยชินีพระอาจารย์เหมือนเดิมตอนนั้นนิมนต์พระอาจารย์กับพระอาจารย์สงครามไปของชเบุญพุทธนะคะ เข้าวัดเนื่องจากว่าตอนนั้นแม่เสียแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําบุญส่งบุญไปให้แม่ได้ยังไงถึงถึงนะคะก็มีความทุกข์มากไปหลายวัดแล้วก็เลยไปจบลงที่วัดสนามใ น, ห, นหลังจากนั้นก็ปฏิบัติแนวนี้มาตลอดแล้วก็ติดตามพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านค่ะในแนวนี้ไปเกือบหมดทุกวันแล้วมั่งคะหลวงพ่อกาเคียร์หลวงพ่อจารันหลวงพ่อณรงค์แล้วก็ติดตามพระอาจารย์ไปที่ ส, ว น, สวนโมก ที่สวนรถไฟก็ไปค่ะงา น, นรัศดรหลวงประเทียนแต่เนื่องจากว่าพระอาจารย์ไปอยู่ต่างประเทศค่ะก็เลยไปตามที่ไปได้แถวนี้ค่ะแถวบ้านจิตสบายอะไรพวกนี่ยค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็ไปเข้าคอร์สกับพระอาจารย์ที่อสมมาตาค่ะก็ก็ยี่สิบปีที่ผ่านมาแล้วนี่ชีวิตก็เบาขึ้นเบาขึ้นเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้มีจุดมุ่งหมายว่าไม่อยากจะเกิดอีกค่ะ อย่างนี้นะคะนี่คือจุดมุ่งหมายที่เป็นเดสติเนชันค่ะจะเห็นเห็นแล้วเจ่ะเห็นเมื่อเราคิดขึ้นมาสิ่งที่ตามมากับความคิดคืออารมณ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งเมื่อเรารู้ทันมันก็ดับไปก็ได้ตามกำลังของสติที่มีอยู่ค่ะทันบ้างไม่ทันบ้างบางทีถ้าเผื่อว่ามันจังหวะนี่มันมาแล้วเราก็ไปตัดตุ๊บบางทีก็มี มีปวดหัวบ้างมึนหัวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับปวดหัวเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งเจ้าพระหลวงพ่อตอนผ่าตัดไส้ติ่งไส้ติ่งแตกพยายามจะดึงระหว่างความเจ็บกับความรู้สึกตัวค่ะดึงตอนแรกก็ดึงได้ดึงดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาก็เข้าไปในความเจ็บเลยค่ะแล้วก็หมดสติไปเลยคิดว่าถ้าถ้าตายไปตอนนั้นสงสัยคงลําบาก ก็เลยคิดว่าเราต้องทำเพิ่มเติมให้มากๆอีกสัหน่อยเพราะว่าสู้ความเจ็บไม่ได้มันทรมารตทำไม่วงไอ้ตาตัดเรไม่ได้นัยาพขาใชเขาเายังหาไม่เจอค่ะเขาไม่คิดว่าเราเป็นไส้ติ่งแล้วทีนี้เนื่องจากว่าเราถูกฝึกมาฝึกตัวเองแบบนี้ไงค่ะหลงพ่อแบทนนะคะไม่ร้องไม่โวยวายเนียหมอก็ไปดูคนอื่นก่อนไม่ได้ไม่ได้มาดู เดรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วอะไส้ติ่งมันก็แตกบังป๊อได้ยินเสียงด้วยนะคะค่ะแล้วก็แล้วก็อดทนอยู่ตั้งนานนะหมอยังให้กลับไปบ้านอีกนะคะหนึ่งคืนเออก็เลยกลับไปอีกที่สิริราชแล้วก็ก็เลยรู้สึกตัวเองไม่ไหวแล้วใส่ไม่ไหวก็เลยให้น้องสาวไปบอกพยาบาลว่าไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็เลยก็เลยเป็นอย่างนั้นนะคะเนื่องจากว่าดึงกันอยู่นาน<ม>เจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ไดไปทำพิธีต้องไปจะยัง ทำไม่ได้ใช่ไหหลวงพ่อเลยด้านฝึกน่้าหักท<อ>าไม่ได้ดก็ยังตื่นคอยอย่างนี้ <laughs> จากครั้งที่แล้วจนจนปัจจุบันเนี่ยรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นมากค่ะการาบนวัตการเจ้าค่ะรวมทั้งพระสงฆ์และญาติธรรมทุกท่านเนี่ค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะก็ดีน้องสะพ้ายจะมาที่นี่ประจําก็เลยบอกน้องสะพ้ายบอกว่าอย่าเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมน้องสะพ้ายก็จอบไว้ให้เจ้าค่ะกราบนวัตการหลวงพ่อ คณะสงฆ์แล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะามาปฏิบัติกับพระอาจารย์เมื่อเดือนพิษภาค้าเก9ค่ ะ, คะประมาณสามถึงสี่เดือนที่แล้วปัจจุบันอยู่ในอิริยาบถย่อยแล้วก็มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอย่างเช่น เวลาตอนเช้าถ้าเราทำอาหารข่ะที่ที่ผัดผัดกับข้าวอะค่ะบางทีใจมันจะไปคิดถึงการคือคือตอนนี้หกโมงเช้าเนี่ยใจจะไปคิดถึงตอนแปดโมงว่างานจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือถ้าหกโมงอยู่กับตะหลิวก็ก็เห็นมืออยู่กับตะหลิวในรูปแบบทําแต่ว่าไม่สมเสมอค่ะแต่ว่าถ้าเออก็ ในระหว่างวางอย่างขึ่นตอนเที่ยงถ้าปฏิบัตินิดนึงแล้วก็บันทีก็จะเปิด YouTube ของอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ุณ ค, คน้าสวัสดีเพื่อนๆทันครับผมชานินอินทราจินดาอดีตเป็นดานเรือเอรีลิทายเมื่อสามปีที่แล้วเกิดสามปีองครับในช่วงที่เอรีมาก็ไปเที่ยวรอบโลกกับตะเวนไปเรื่อย ก็จะเลือกเที่ยวก็คือสิ้นปีนี้วันนี้ก็คือมาหาแนวทางการปฏิบัติครับเพราะว่าปีหน้าต้นปจะปฏิบัติทางหนึ่งเดียวไม่เคยไม่เคยเข้าคอร์สที่ไหนครับเคยแต่ทำเองก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเดียว น, น, นครับกราบนาะัการหลวงพ่อค่ะแล้วก็คณะสงฆ์แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อจิรพรน์นะคะ ก็เจอหลวงพ่อครั้งแรกที่อสมมาตาปีห้าเจ็ดสองคอสคอสน่าจะเป็นกันยากับก่อนหลวงพ่อบินไปอเมริกาเดินพิจาาตอนน่้นทานวางนะคะสองครั้งแล้วก็ไม่เจอหลวงพ่ออีกเลยเพราะว่าหลวงพ่อไปแต่คือไกลๆอะคะ่ะต่างจังหวัดแล้วก็เราไม่สะดวกไปก็มาเจอหลวงพ่อครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามแต่เป็นครั้งที่ที่มีครั้งแรกะคะ่ะ แต่เป็นครั้งที่สองของหนูมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกคือพร้อาจัรนโนตเมื่อเดือนมิถุนากรกรดาเจ็ดกันค่ะยังถามตัวเองว่าเรารู้สึกตัวอยู่<ม>เป็นหรือเปล่ายังมีความรู้สึกว่ายัง<ม>อย่างการยกมือหลวงพ่อมันมันยกไปได้แบบออตโต้เลยไม่ผิดเลยแต่เราถามตัวเองว่าเ้ยเรารู้สึกห ม, มันมีความสงสัย อ, อ๋อค่ะย่างนั้น ไ, ได้ค่ะได้คืไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตั ว, วแต่ให้รู้ใจดีแล้วก็ทําได้เรื่อยๆเป็นถือว่าใช่ได้อ๋อค่ะทําได้ดแล้วก็เพิ่งมาปฏิบัติต่อเนื่องช่วงที่ไปอาจารย์กาพลนะคะมันเกิดอ่าแปอ่านหนังสืออาจา ร, รย์แล้วเกิดมันแบบว่ามีความรู้สึกว่าอย่างยกมือคือทุกครั้งที่ผ่านมาไปหลากับหลวงพ่อเสร็จกลับบ้านก็คือไม่ได้ทําต่อไม่ก็ตามคอร์สไปพระอาจารย์นู่นพระอาจารย์นี่เนอะ เขาคสเสร็จก็กลับบ้านคือไม่ได้ยกมือค่ะมันไม่มันไม่มีความรักไม่มีฉันท่าในการยกมือเจอว่ามีส ต, ติตามรู้ในอ่าในการทํางานมันก็เหมือนกับว่าคิดว่ายังอย่างยังไม่ไม่ค่อยได้ประโยชน์คือเหมือนกับว่าช่วงที่เราปฏิบัติในคอสเนี่ยเราตั้งใจแล้วก็ค่อนข้างต่อเนื่องแต่พอเรากลับบ้านเนี่ยเราเราไม่ค่อยมันเหมือนแยกกันเลยค่ะหลวพ่อ พอเราก็เผอเผอไปจนวมารู้สึกตัวที่อ้าวเฮ้ยทั้งวันไม่ได้ยกมือไม่ได้นั่นเอ่อหลวงพ่อเคยให้เก็บที่อาศมมาตาค่ะประมาณแค่สองสาวันตอนนั้นพระอาจารย์เอกวุฒิแต่พอดีอยู่ห้องข้างๆกับพระพระชือพระอะไรนะคะที่เป็นจิตวิญญาณจิตยาค่ะอ่าฮะท่านท่านอยู่กับกับอีกท่านหนึ่งอค่ะ ห้องข้างๆพอดีนี่ก็อยู่้องข้างแต่เห็นพระใจเอกวุฒิไปสอบอารมณ์กับท่านชื่อพระอะไรใช่ไหมคะค่ะแต่แต่ไม่ได้มาสอบเพราะพอดีอยู่กุฏิเดียวเราเป็นผู้หญิงด้วยท่านก็ไม่ได้มาสอบก็สองคอสค่ะคอสแรกตอนตอนพี่สะพยเสียแล้วก็มาอีกคอสนึงตุ่นจีเออตัดตัดีปอดีแล้วก็เอามาคอสนี้ค่ะก็ปฏิบัติทำมาปีนี้เข้าปีที่หกแล้ว ก็ตามหลวงพ่อมารู้สึกจะสามปีแล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่เรือนไทยบ้านพักนี้รู้สึกว่าคานค่ะคานเขี่คคานคานแล้วไม่รู้ว่าพอพดีไปปางหลวงพ่อปามโมดนะคะปามโมดโชแล้วก็รู้สึกว่าขัดแย้งอยู่ในใจขัดแย้งแล้วก็เลยหยุดจุดสักพักนึงแล้วมาหาตัวเองใหม่มาหาตัวเองใหม่แล้วก็คิดว่าเอ ไม่ฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังแล้วแล้วกลับกลับมาหาตัวเองใหม่คราวนี้ก็กลับมาหาตัวเองใหม่ว่าจะไปทางไหนจะเอายัางไงแต่ก็หายไปนานนั่นเลยเอถ้าขาต้ทางเพราะว่าคือน้องสาวเนี่ยเขาจะชอบเปิดเทปหลวงพ่อประโมทที่รถตลอดเวลาทุกครั้งที่ขึ้นรถจะเสกจะซึมเข้าตลอดเวลาเลยก็เลย เอ้เราเราเราก็ฟังตลอดเวลาเราก็ฟังตลอดเวลาแล้วเอ้ยบางทีก็เขาบอกท่านบอกว่าท่านบอกว่าเออถ้าเคลื่อนไหวอะยากมนะยากมนะเราก็เอ้ยยากยังไงอะ่ะเราก็ปฏิบัติอยู่จังดีกว่าหลับตาสิหลับตาเราก็หลับแต่เคลื่อนไหวเราไม่หลับเราเราเรามีสติเรารู้ตัวว่าตอนเนี้ย เราเคลื่อนไหวถึงไหนถึงไหนรู้ถึงไหนอะไรถึงไหนใช่ไหมคะแต่บางบางครั้งบางคําบางครั้งบางคํง า, คาคก็สะกิดใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่แตนที่ยอมแตที่ลูกขี้เกียจด้วยค่ะเรื่องเรื่องเพราะว่ามันมันเกิดเกิดจากที่พิษภัยเสียมาควอดมันก็เลยดอกลงไปกลับมาราการพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ พระสงฆ์ทุกรูกแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกค น, นะคะ่ะก็ชื่ออิศริยาแก้วกัลยานะคะชื่อเล่นชื่อโอ๊ตก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนเป็นตัวค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเคยปฏิบัติอยู่สวนธรรมการตื่นรู้แม่ชีตุกที่เชียงรายค่ะเป็นการปฏิบัติธรรมพุทธะวิถีเ็นค่ะก็คือเจริญสติบนไม้ไผ่ที่นั่นก็จะเน้นการ จะเริญนสติแล้วก็เน้นการมีสติตลอดเวลาทุกอิริยาบถค่ะแล้วก็จะได้รู้แนวหลวงพ่อเทียนด้วยค่ะแต่ที่นี้ที่นี่ที่นี่จะเป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้เรียนรู้แนวหลวงพ่อเทียนเต็มตัวค่ะจากน้ำมาสการหลวงพ่อดเดละเอแล้วพระสงท์ทุกทุกทุกลูกค่ะ ชื่ออุไยวันค่ะเป็นวิศวกรค่ะก็เจริญสติแบบนี้มาแบบเคลื่อนไหวมาเดือนครึ่งแล้วค่ะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มหาวิรพันธ์ชุติปัญโยค่ะใช่ค่ะไม่เคยเข้าคอเจ้ท่านแต่ว่าเมื่อประมาณเดือนครึ่งไปวัดท่านแล้ว แล้วก็ก่อนกลับวันหนึ่งท่านสอนแค่สอนแต่ยังไม่ได้ทำแล้วก็กลับมาทำที่บ้านได้เดือนครึ่งแล้วค่ะก็เพิ่งมาครั้งแรกค่ะไม่ได้จัดค่ะวัดกำลังสร้างยังไม่เสร็จค่ะใช่พอดีก็เหมือนกับไปกับพวกกัญยาณนไม่ไปเยี่ยมท่านเนี้ยค่ะาการกพาเที่ยววัดนู้นวัดนี้แล้วก็ ปฏิบัติแบบไม่ได้ปฏิบัติเทศตอนเช้าสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พาไปไหว้พระธาตุด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนวันสุดท้ายก่อนกลับวันหนึ่งท่านสอนคือก็สอนเดินจงกลมแบบสอนยกมือเี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำแค่สอนเฉยเกรับนักาการพระอาจารย์และคณะส่งทุกลูกค่ะก็ชื่อดวงพรเนะะี่ยค่ะมาที่นี่ครั้งแรกอะค่ะ ช่วงบ่ายกับ่ายสามถึงห้าโงใคร้องที่มาไม่ทันเกมือมขึ้นหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ออบไาเพิ่งมาเนาะบ่ายสามมาไม่ทันเนาะอ๋ะอก็ส่วนใหญ่อยู่คือตั้งแต่บ่ า, บายสามถึงห้าโงช่วงหนึ่งก็ได้ประถมนิเทศไปแล้วเนาะสำหรับคนที่มาไม่ทันเขาคงจะเข้าใจว่า เราระเบียบวิธีการปฏิบัติที่นี่เป็นอย่างไรบา้บางก็คงดูตามเพื่อนกันแล้วกันว่าเร า, เ, าเก็บโทรศัพท์ตื่นที่สี่ที่สี่ถึงที่ห้าเรามาก็กาลังกายร่วมกัน <S <S <S ถ้าตื่ได้นะถ้าตื่ไม่ได้ก็ที่สี่ไม่พิถันก็นมาที่ห้าก็ได้แต่ถ้ามาที่สี่ทันก็คือได้กำลังกายร่วมกันก็วันการนี้ถือว่าเป็นทำมาประจํา ตันะ้งแต่ต้นๆเพราะเนือ่องจากเพรามะเมื่อก่อนเคยสุขภาพไม่ดีหลังจากที่ได้เจริญสติช่วงต้นเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเพราะเวทนามันแรงต่อมาก็มาออกําลังกายด้วยเจริญสติมาด้วยก็ควบคู่กันมาเรื่อยๆก็ทำให้การอีซีของเราร่างกายของเราเข้มแข็งขึ้นโรคไตแ้เก็บก็ก็หายไ ป, ไป การเจริญสติก็ทําให้เราเข้าใจและก็รับตัวเองก็เลยเป็นอ น, นิสงฆ์ให้เอาไปแบ่งปันให้กับนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็พอได้ผลด้วยแต่บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่นั้นก็ไม่สำคัญเท่าที่ว่าเราได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำและรักษากายเพราะว่ากายนี้เปรียเส ม, มือนรถใจเป็นสมือนคนขับถ้าหากว่าคนขับเก่งแต่ว่ารถมันไม่ดี ถ้าคุณขับซ่อมรถไม่เป็นก็หมาย ก, ก็ไปไม่ถึงเป้าหมายทั้งรถทั้งคนนะะนั่นเองเราต้องการใช้ร่างกายนี้เเป็นพา ana เนะท่านั้นเพราะนั่นเรื่องจริต่อมแสงแต่ถ้าหากว่าเราไปเสพสุในภา a นะอันนี้พา ana น, นี้ก็จะไม่พาเราไปถึงเป้าหมายดังนะนั้นเป้าหมายก็การออกร่างกายก็เพื่อที่จะส่อมแสงรู้จักซ่อมแสมรู้จักเยียวยาร่างกาย ซึ่งมันเป็นเสมือนคนป่วยตลอดเวลาเพราะวร่างกายของเรานี้ป่วยด้วยทุกขเวทนาหลายรูปแบบทุกขเวทนาในใจ ร, รักทุกขเวทนาในวิบัากกรรมทุกขเวทนาที่เป็นเรื่องของจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิและเป็นทรมานกาย ท, กทุกขเวทนาเพราะการแปรตวนของลมฟ้าอากาศทุกขเวทนาเพราะการเจ็บป่วยหลายรูปแบบเพราะฉร่างกายของเรา มันจึงเป็นที่ตั้งของทุกนะทีนี้เราในฐานะเป็นเจ้าของร่างเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยได้ได้ร่างมาดีปกติก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่ทุกท่านที่มาที่นี่ถือว่ามีศรัทธาดีด้วยนั้นก็มาเองก็ได้พยายาทําหน้าที่อย่างเต็มที่ว่าทําอะไรจะให้คนที่มาแล้วเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่อยากให้เสียเวลา แต่บางคนก็มาแล้วพอพัดโผล่ไปที่อื่นกลับมาบางทีมาตั้งต้นใหม่ก็มีหลายคนที่หลว ง, งพ่อไม่อยู่ลองไปท่านอื่นหรือบา้างพอไป อ, อื่นมาไปค่อยเกะกลับมาตั้งต้นใหม่อันนี้เรียกแตกเนนะนน่เรียกว่ากรรมจะเปลเป็นนะเรียกวเรียกว่ากรรมพาไปคือคือเรากลับในลักษณะอย่างเงี้ยแต่ถ้าหาว่าอจากไปลองท่าอื่นก็ไม่ว่าแต่ถ้าเกบตัวมาแล้วก็ เรไม่รู้นะถ้าเข้ามาทางใหม่ทันก็ทันถ้าเข้ามาทางใหม่ไม่ทันก็ไปถึงอื่นต่อนะคือมันเป็นสูตรสําเร็จอย่างที่หลวงวโรเทียนว่าสูตรสําเร็จมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าคุณเอาสูตรอย่างอื่นมาผสมก็เป็นเรื่องของคุณหละแต่ไม่ห้ามแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องของคุณนะเราใหไม่มรับแต่เราก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นให้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทําแต่ละครั้งเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการกระทําตามกําลังสติปัญญาของเรา ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบตามกำลังของเราเราโยกได้แค่นี้เราดับได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้ไปก่อนเราก็เพิ่มชนี้ไปแต่ถ้าเราโอ้ทำแค่นี้เท่าก็เอาวิธีนั้นเข้มข้นมันน่าจะได้มากกว่านี้ในที่สุดมันดูทั้งสองอย่างเลยอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้เพราะความอยากของเราเองนะหรือบางทีความไม่ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาทำอะไรที่มันมันรู้สึกว่าดีขึ้นก็นพยายามไปเขคป ร, ปรองพัฒนาไปเรื่อยๆบองคนมาครั้งเดียว พัฒนาไปได้ไกลเอาไปใช้ได้ตลอดมางคนมาห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งก็ยังประกบของตัวเอ ง, งไม่ได้ตัวนี้ขึ้นอยู่ความาเข้มแข็งศรัทธ า, าที่เข้มแข็งความเพียรที่เข้มแข็งแต่ละคนเป็นเครื่องแต่สิ่ที่เยอรมันมีคนหนึ่งเป็นเขาเป็นพยายบาลเป็นคนไทยเข้ามาทำได้สองครั้งเขาไปพัฒนาต่อหนึ่งปัจจุบันนเขาตั้งกลุ่มได้ทั้งที่ที่ฝรั่งเศสที่เยอรมัน ปีที่แล้วไปฝั่งเศสปีแล้วเขานิมนต์ต่อไปที่ละมันไปจัดที่โบสถ์คลิปเลยนะเออพ่อแฟนเขาเป็นแฟนเขาเป็นคลิปแล้วก็รู้จักสนิทกับบัณหลวงแล้วขอใช้เชื่อของาบัณหลวงเลยเขาเป็นพยาบาลจากที่นี่แล้วเขาก็เป็นอเไรกายภาพ บ, บําบัดก็เลยไวนะท่านน่จะเห็นว่าคนที่ตั้งใจมีศรัทธาจริงแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็ได้ผลนะ แต่คนที่ศรัทธายางไม่มันคงสุขภาพยังไม่ดีสมรรถจิตสติสมรรถะไม่เข้มแข็งก็หลายๆลยครั้งหน่อยแต่อย่าท้อแต่อย่าเปลี่ยนวิธีการหรือวิธีการบ่อยถ้าเปลี่ยนวิธีการบ่อยนั้นมันเกิด อ, อะไรแฝงซ้อนเข้ามานะเราแก้ตัวเองไม่จบเราก็ทาให้เราเสียเวลานะท่านผู้ชแม้แต่นในกลุ่มครูบาอาจารย์เดียวกันก็ตามแต่ว่าสอนคนละแบบและอย่างก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในวิธีการหลวงพ่อเทียนนี่เขา อย่างเรื่อออกําลั ง, งกายเนี่ยกล้าาจอื่นเขาไม่กล้าเพราะกลัวถูกหาว่าเพี้ยนแต่หลวงพ่อกล้าทำํำพ่อพอะไรเพราะมันได้ประโยชน์ใครจะว่าเพี้ยนเราก็ไม่สนใจพ่ออะไรสิ่งใดที่ได้ประโยชน์ะสิ่งใดที่ได้ประโยชน์ชัดเจนกับเราแล้วพ่อไปทดลองว่าคนอื่นเขาได้ประโยชน์ไหมก็ทําดูถ้าเป็นการเจริญสติโดยเฉพาะการออกกำลังกายเป็นการเจริญสติที่เข้มข้นเพราะในช่วงที่เราทำเนี่ยมันมีเวทนาเวทนาที่เราตั้งใจมันเกิด กิริยานะที่เกิดเราโดยไม่ตั้งใจเนี่ยอย่างปวดขาที่เราไม่ตั้งใจมันเกิดกับปวดขาที่เราตั้งใจมันเกิดเนี่ยมีผลต่างกันปวดแขนที่เราไม่ตั้งใจมันเกิดมันเกิดโดยไม่รู้สาเหตุกับปวดแขนที่เราตั้งใจมันเกิดรู้สาเหตุกําลังของความปวดความทนต่อความปวดมันก็ต่างกันความหนักเหนื่อยที่เราไม่รู้สาเหตุกับความหนักเหนื่อยที่เรารู้สาเหตุมันจะมีความต่างกันไฟที่เราจุดขึ้น เพื่อคุ้ค่าตรงแกงกับไฟที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไม่รู้เนี่ยมันก็จะต่างกันไฟที่เกิดในบ้านโดยเขาไม่รู้เราไม่รู้สาเหตุมันไม่บ้านเราแต่ไฟที่เรารู้ว่าเราจะทําอะไรจะใช้เวลาแค่ไหนและจะดับเมื่อไหร่ไฟนี้มีประโยชน์ชั้นใดก็ดีกําลังของเวทนาในตัวเราที่เราสร้างมันขึ้นมันเป็นประโยชน์ตรงนั้นนะทําให้เรามีความอดทนทนต่อความเจ็บปวดได้โดยที่เราสร้างมันขึ้น โยคะบางท่าการออกกำลังกายบางท่าอย่างผู้นี้เราเสนอคือก่อนหน้าก่อนหน้าเนี้มาใช้โยคะในตระกูลต่างๆไปฝึกทั้งชีกงทั้งอะไระกันฟูแล้วก็ไทเก็กแล้วก็โยคะมาล่าสุดนี้ก็เป็นไฟที่เวทีหลาที่ทำอยู่ทุกวันนะปรากฏว่าทำน้อยท่าแค่ห้าท่าจะได้ผลแต่ของ หมอสัปดาห์ที่มาทำปีการ21ท่าถึง25ท่าแต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็ได้ผลแต่นี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ถึงสองรอบได้ผลมากกว่าแล้วก็มาใช้อันนี้ใช้ทั้งลมปรางทั้งโยคะทั้งที่คงอยู่ในตัวอันนี้หมดก็เลยเออมาใช้อันนี้อ่าเพราะฉะนั้นก็แต่น้อยคนที่จะมาไปทําทุกวันโยมจุกไม่ทำทุกวันหรือเปล่ามั่นใจว่าไม่ได้ทําทุกวันะ มีใครบ้างที่ทําที่เบทเทลหลายทักวคุณเปิ้ลแลบไปอีกคุณอ่าดวงพรพอเปิดกับก้าหน้านะครับปฏิบัติก้าวหน้ า, น า, ห, นาหน้าตาสดใสร่างกายขึ้นแข่งใช่ไหมฮ ะ, ะ, ะดีมากมากเพราะนั้ น, ถ, น, นถ้าไม่ดีดแข็งแรงขึ้นนะมีพลังขึ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อกขารู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ที่มาของการออกกำลังกายชุดดีก็คือ มีชาวนักวิจัยคนหนึ่งชางอิตเข้าไปเที่ยวทิพย์เบรเที่ยวไปทั่วเขาไปเจอหมู่บ้านบ้านหนึ่งแต่ละคนมีหน้าสดใสก็ถามทั้งผู้สูงอายุผู้อ่อนอายุดูแล้วนะ่ะไวห่างกันแต่ว่าลักษณะหน้าตาสดสใสใต้เคียงกันหมดถามว่าเขาทําอะไรเราก็ไปลงฝังตัววีให้เน้นก็หลายเดือนนะก็ปรากฏว่าได้เห็นวิถีชีวิตของเขา เขากินอาหารอย่างไรเขากินอาหารธรรมชาติออกกำลงกายด้วย้าท่าทิเบตเทียไล่เหมือนกันทุกคนและทุกวันเป็นวิถีชีวิตเลยในที่สุดนักวิจัยนี่ก็เอามาทำํทำพอํามเรามาเขียนสีเขียนสีแล้วหายเผยแพร่ไปทั่วโลกก็ปรากฏว่าเดรริที่บตเทไล่ก็เป็นวิถีชีวิตของกลุ่มขูงชาวที่เบตกลุ่มนึ่งในทิเบตเรีอกที่บตเทียนไล่ในไฟทิเบตเชียนไล่เข้าไปในยู u ูบนะทีมเดรริไฟ ที่เบรนไหลมันก็จะขึ้นมาแล้วจะเลือกท่าไหนอันนี้เราก็เอามาจากนั้นมาฝึกนะก็เออก็ดีก็ทำก็ตอเช้าแต่ก็คิดให้ให้เขาทำให้ให้ทำวันละส3าครั้งก็ได้แต่จะทำเฉพาะช่วงเช้าก็พอถ้าว่างๆช่วงเย็นด้วยก็ดีนะเพราะว่นในนั้นจะมีลมปราณด้วยนะบวกเอาเอสเคทของอาจารย์สมพรบวกเข้าไปตรงนั้นเลยแทนที่จะมานั่งทาเฉพาะเอเคท มันไม่พลังไม่พอก็ไปบวกของรถไฟทิเีตขึนะ้นไลน์นะนั้นก็จะทำกันทุกเช้าตื่นมาที่ีแล้วเปิดเทปให้ก็ฟ o l โล w ตามนั้นบางครั้งเทปไม่ดีหรือไม่มีอุปกรณ์มาก็เป็นนั่นแหละเป็นดนะีเจซีเองตื่นเช้าเข้ามาก็ผ้านเนนราดูตื่นขึ้นมาก็มาทำด้วยกันก็ทำให้ระบบแระ่าของร่างกายมันดีนะการยุลิศได้ นะหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วก็ทดสอบวาาลงปลางดีไหมปอดสองข้างลงเท่ากันไหมออกซิเจนเขาเต็มปอดไหมมันมันทดสอบได้มะเร็งตัวอะไรมากที่สุดรู้ไหมตัวออกซิเจนนะถ้าออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายวันเท่านี้เท่านี้ประจำโอกาสที่เป็นมะเร็งไม่มีเนะพราะอะไรเพราะออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายเป็นปอกเลือดอะไรให้บริสุทธิ์เสมอ ดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลองอามาทำร่วมกันถ้าตื่มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรทันช่วงไหนก็เอาช่วงนั้นแต่ไม่ซีเรียส น, นะจะไม่ต้องกังวล น, นอนให้สบายตื่ที่สีไม่ทันก็มาที่ห้าก็ได้แต่ถ้ามาที่สีจะได้ของแถมก็คือรถไฟที่บีที่ไรนะแต่ว่ากัางวันกลางคืนให้นอนเต็มที่กลางวันก็ได้ทําเต็มที่แล้วก็นิวรณที่เกิดกลางวัน ถ้ารนอนเต็มที่กันคืนนิวอัลที่เกิดกลางวันก็เกิดจากอารมณ์ใกล้ใก้ไขได้ง่ายแต่มันเกิดเพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนไม่เต็มที่เนี่ยมันแก้ไขยากเพนจะร่างกายลราไม่พร้อมนะแตนั้นเองก็ในระเบียบของเราไม่มีอะไรมากนะตื่นนอนปกติที่สี่ที่ห้าแล้วก็ใค้คนเก่าเขามักจะตื่นไวกว่ามาที่สามเขาก็ตื่นล้ที่สามครึ่ง เก่าตื่นมาก็มาเดินสชวุมปฏิบัติเราเพื่อนหรือทำทูริส่วนตัวแต่ว่าที่วัดที่มาอยู่ที่วัดดอยโยมที่มาปฏิบัติประจำที่นั่นขึ้นขึ้นมามาให้ทําใครทําวันที่กุติบางคนยังทำไม่ได้ขึ้นมาทําที่สลาร่วมกับพระ น, นี่ก็มีนะดังนั้นในการเจริญสติแบบนี้จึงอยากจะบวกการออกกาลังกายกไปด้วยในการดูแลร่างกาย นอกจากนั้นก็เรื่องอาหารที่นี่ส่วนใจก็เป็นอาหารเจนะอาหารอาจะมีปลามีไข่บ้างในะบางครั้งนะจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่อะไรตัวตัวนันมาค่อยมีนะทัางนี้เราเอาพอทานได้ไม่ถึงกับว่าอร่อยแล้วพอกินได้พออยู่ได้เบาสบายนะโดยเฉพาะอาหารเป็นส่วนที่ทมให้เกิดโรคภัยกล้เจ็บถึง 80-90 เปอร์ซนะถ้าหากว่าเราเลอกทาอาหาร ที่เป็นธรรมชาติปลอสารพิษอาหารก็จะเป็นส่วนช่วยให้เราได้สุขภาพดีถึง 80% เหมือนกันก็เอามาก็ให้ความสำคัญเรื่องอาหารด้วยเนเะรื่องอาหารนา้ำการออกกาลังกายอากาศ อ, อะไรพวกนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องภาวนาคนที่ภาวนาเป็นเท่านั้นจะนุกศกรักตัวเองได้ถูกต้องคนที่ยังภาวนาไม่เป็นก็ยังจะไม่รักตัวเอง แต่เราจะไปรักรสชาติของกิเลสมากกว่าแต่ภาวนาเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญเรื่องการกินแหละไม่ให้ความไม่ใช่ให้ความเรืให้ความสำคัญเรื่องรสชาติแต่ให้ความสําคัญเรื่องการกินที่เป็นสุขภาพเพราะปัจจุบันในเทคโนโลยีทางด้านอาหาราธรรมชาติเนี่ยมันจเจริญขึ้นเยอะนะเราก็อยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนชีวิตเพราะชีวิตนี้เป็นเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดกว่าสิ่งใดๆ น่มีค่ามากที่สุดสิ่งแดีวเพราะงั้นการที่รักษาสิ่งที่มีค่านี้เราจะต้องปต้อง ม, ม, มีความรู้ในเรื่องนี้ว่าจะทําอย่าแก่มากอย่าแก่เร็วเกินไปอย่าเจ็บไวเกินไปอย่าตายไวเกินไปให้นักปฏิวัติของเราแก่ช้าที่สุดเจ็บช้าที่สุดและตายช้าที่สุดเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกเพราะชาวโลกที่ประมาทขาดสตินะี่มีเยอะมีมากกว่ามากแต่พวกเราคนจะเป็นเสาหลักของ ของคนในครอบครัวได้ในเรื่องของสุขภาพในการมีสติสัญญ่งแยะในความอดทนในความใจเย็นในความมีเหตุมีผลในการแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยตเป็นเสาหลักของครอบครัวนั่นเป็นเสาหลักครอบครัวได้บางคนมีมีอำนาจมีไหวษณ์ดีก็สามารถดึงดึงเพื่อนมาได้แต่คุณที่มานานถ้ายังดึงเพื่อนมาไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่มีผลงานใช่ไหมหลายครั้งยังไม่มีผลงาน แต่คุณดงวงพรเช่นนี้มีผลงานแล้นะได้ปฏิบัติมาหลายครั้งต้องมีผลงานคือชวนคนที่เขายัางเขามีทุกอยู่เนะี้ยให้มาได้นะแต่ด้วยวิธีใดก็ตามล่ะนะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไปหาสมาชิกแบบแอมเวไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นผลสะท้อนจากที่เห็นความเป็นคนใจดีของเราความเป็นคนช่วยแก้ปัญหาเอื้ออาทรตอเพื่อนแล้วก็ให้เป็นที่ปรึกษาที่ดี อะไรต่างเนี่ยเขาก็อยากดีเหมือนเราอ่ะแต่เราออกความช ว, ว่อเนยเนาะเขาก็มาได้ละนะเพราะฉะนั้นเองก็คือการเปลี่ยนแปลงนะเอามาไม่เห็นด้วยที่ว่าเวล า, าปฏิบัติอย่างนี้ยังไม่ชัดเจนไม่ได้ผลชัดเจนก็เปลี่ยนทางนูน้นทั้งเปลี่ยนทั้ชิมไปเรื่อยอย่างเงี้ยมาก็พอเวลามันเกิดการค่อยเปลีสับสนขึ้นมานแสดงว่าศรัทธาของเราไม่ตั้งมั่นเมื่อศรัทธาไม่ตั้งมั่นก็ความเพียรไม่ตั้งมั่น เมื่อความเพียรไม่ตั้งมั่นสติสมาธิปัญญาก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อสติสมาธิปัญญาไม่ตั้งมั่นตัวการเข้าถึงการดับทุกก็เป็นไปไนะด้ยากนะเพราะฉะนั้นศรัทธาต้องต้องมั่นความเพียรต้องตั้งมั่นแล้วต้องทําต่อเนื่องเรื่อยๆเราจะมาค้อนดงมาไม่มาค้อนก็ตามคือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละเราอยากจะให้ตัวเองดีอยากให้ร่างกายดีอยากให้จิตใจดีมันก็ต้องแรกเปลี่ยน ได้เปลี่นด้วยการเสียสละบางอย่างเสียสละเรื่องรสชาติออกไปเสียสละความเห็นแก่สะดวกสบายออกไปเสียสละแต่ความอยากบางอย่างความพยานอยากบางอย่างออกไปมันก็ต้องมีการได้เปลี่ยนเอาสิ่งนั้นออกไปสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งดีนะสิ่งที่เราทิ้งไปอ่ะความขี้เกียจความเบื่อความเอาตามใจตัวเองความกินการอยากการใจตัดอยากตามใจท้องก็มงไม่ใช่สิ่งที่ดี มันก็ยิสระได้ง่ายถ้าเราไม่เห็นประโยชน์อานิสงค์ของการเจริญสติทําให้เราสงบง่ายทำให้เราทุกข์ยากเราสุขง่ายนี่อา น, นิสงค์ของมันนะดันั้นามาได้รับอา น, นิสงค์นี้แล้วก็อยากจะให้คนอื่นได้บ้างก็อะไรก็พยายามทำเรื่องนี้ยเรื่องเดียวเรื่องอื่นบาครั้านี้มีเรื่องอื่นเยอะแยะน่าทํานะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นประโยชน์ชัดเจนเหมือนแต่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุข แล้วสุขที่แท้จริงคือสุขตาสุขใจซะก่อนเมื่อสุขใจแล้วก็นึกถึงอันนี้ส่งของการอ๋อเพราะกายดีใจทึงดีแล้วก็รักษาร่างกายให้ดีขึ้นอ๋อเพราะเราดีเพื่อนเข้ากันเพื่อนที่ดีแล้วก็ช่วยเพื่อนเออเราไม่เพื่อนที่ดีถ้ามีญาติที่ดีแล้วก็ช่วยญาติมันก็จะคิดถึงสิ่งที่ดีๆมาอยู่ใกล้ตัวก็สร้างเพื่อนที่ดีสร้างญาติที่ดีสร้างพี่ที่สร้างน้องที่ดีมันก็ความดีนี่ก็ขยายไปนะ เพราะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้เราก็ได้แนะนำตัวเองแล้วก็ได้ได้เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะนำไปพิจารณาเตรีย ต, ต่อด้วยสติปัญญาของตัวเองให้เห็นประโยชน์ให้ชัดเจนได้เกิดศรัทธาและความเพียรต่อเนื่องกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้าย วยการทุกคนทุกทาน